ไในสายพุทการนะมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีร่ำรวยมากนะชายหนุ่มคนนี้ชื่อว่าสุรัมพัฒนะสุรัมพัฒนะ์ะสุรัมพัฒนเนี่ยเจริญรอยตามบิดามารดานะก็คือนับถือนักบวชที่เรียกว่าอัญญเดร์ถีบางทีเราก็เรียกสั้นๆว่านักบวดเดร์ถีนะก็คือนะไม่ใช่นักบวช ในพุทธศาสนาแลเช้าวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็ทรงใช้ยานสอดส่องนะบุคคลที่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมก็เพราะว่าสุลลรมพัฒเนี่ยนะมีอุปนิสัยนะที่จะเห็นธรรมได้ด้วยพระกรุณาเนะก็เลยเสด็จไปนะไปหาสุลธรมพัฒ ก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านนะอย่างนิ่งสงบสุรัมพัทเนี่ยเห็นพระเจ้าเนี่ยก็ระลึกได้ว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีฐานะสูงส่งนะเป็นวรรณกษัตริย์แต่ว่าละทิ้งละสมบัติมาบวชแล้วก็สั่งสอนผู้คนมากมาย ตัวเราเนี่ยนะจะละเลยท่านไม่ใส่ใจท่านก็กระไรอยู่นะควรที่เราเนี่ยจะนิมนต์นะท่านเนี่ยมากข้ามาในบ้านของเราตัวสุ ร, รัมพัฒนไม่ได้มีศรัทธาในพระเจ้านะแต่เห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่น่านับถือนะนะทิ้งราสมบัติเพื่อมาสแสวงหามโมกขธรรมนะ ก็เลยนิมนต์มาเข้ามาในบ้านแล้วก็ตามธรรมเนียมนะก็นำอาหารมาถวายอุเจ้าก็หลังจากที่เสร็จพัฒกิจนะก็เลยสนทนากับสุลธรรมพัฒ ส, สนทนไปนสักพักพวงก็เห็นเป็นโอกาสที่จะได้แสดงธรรมแล้วก็แสดงธรรมในเรื่องของ ขันห้านะว่าขันห้าเนี่ยคือรูปเวัชนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คืออันิีจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสุลธรมพันเนี่ยนะได้พิจารณาตามก็เกิดดวงตายเห็นธรรมนะได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็เลยเนี่ยเกิดศรัทธาอย่างยิ่งนะในพระพุทธองค์แล้วก็รวไมไปถึง พระธรรมพระสงฆ์ด้วยก็คือเกิดศรัทธาในพระรัตนตรยัยนะก็เลยนะขอถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสารณะจากเดิมเนี่ยที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องพระรัตนตรัยเลยนะีตอนนี้เกิดศรัทธามากผู้เจ้านะเสร็จภารกิจแล้วก็นสนทนาธรรมเสร็จก็กลับนะไปยังกรุงสาวัตถีหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมานนะ พอรู้เนี่ยว่าสุรัมพัทเนี่ยสนทนาธรรมกับพืชเจ้าก็เกิดเกิดความกังวลว่าเนี่ยสุรัมพัทเนี่ยนะเคยอยู่ในอำนาจของเรานะก็กลัวว่าเนี่ยสุรัมพัทเนี่ยจะหลังจากที่ได้ปรานาตนเป็นอุบาสกแล้วเนี่ยจะหลุดจากอำนาจของมาร ก็เลยมีอุบายนะที่จะล่อหลอกให้สุลรรมพัฒนเนี่ยกลับมามีความเห็นแบบมิจฉาทิฏฐิจะได้อยู่แนวหน้าของมารต่อไปก็เลยแปลงกายมาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนแป๊ะเลยนะเพราะมานี่มีความสามารถด้านนี้มากแปลงกายมาเป็นพรเจ้าแล้วก็มาที่บ้านของสุรัมพัฒน์ คุณัมพัท ก, ก็แปลกใจว่าพระพุทธเจา้าเนี่ยมีทั่วอะไรหรือเสร็จแล้วพระพุทธเจา้าจําแรงเนี่ยนะก็มาบอกว่าเนี่ยที่เมื่อกี้เราแสดงทําให้ท่านเนี่ยเรายังพิจารณาไม่ถี่ทุวนที่บอกว่าขันทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ทีเดียวนะมันยังมีขันบางอย่างนะที่เที่ยงเป็นสุขแล้วก็เป็นตัวตน เรามาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาชี้แจงแก้ไขให้ท่านเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทุรรมพัฒนเนี่ยแม้ว่าศรัท ธ, ธาในพู้เจ้าอย่างยิ่งนะแต่ว่าเกิดสะดุดใจว่าปกติพู้เจ้าเนี่ยกล่าวคำใดแล้วเนี่ยนะยอ่อมไม่กลับวาจาตัดคำไหนเป็นคำนั้น แล้วทำไมพระงเนี่ยนะจึงกลับมาเปลี่ยนคำสอนเกิดความเอกใจขึ้นมาและที่จริงเนี่ยตัวสุลธรมพัฒนเองเนี่ยเนื่องจากเป็นพระโสาบันนะก็ย่อมเห็นชัดอยู่แล้วนะว่าสัจธรรมความจริงคืออะไรนะพระโสาบันเนี่ยก็ย่อมละสั ก, ส ก, กยทิฐินะ คือความเห็นผิดว่าเนี่ยสิ่งทั้งหลายเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราพอละได้เนี่ยก็ย่อมรู้แจ้งนะว่าไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและที่พูุทธเจ้าเนี่ยมากล่าวบอกว่ามีขันบางอย่างนะที่มันมันเป็นอนิจมันเป็นนิจจังนะมันเป็นสุขขังมันเป็นอัตตา รู้สึกทำแม่งทำแม่งนะก็เลยถามไปว่าเนี่ยท่านคือมารใช่ไหมบอกว่ามารตัวจริงเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้จ่าจำแรงเนี่ยตกใจเลยนะธรรมชาติของมารเนี่ยถ้าถูกรู้ทันเมื่อไหร่นี่ยอมแพ้เลยนะมา น, นี่มีฤทธิ์มากนะแต่ว่าวิธีเอาชนะมารเนี่ยไม่ใช่สู้ด้วยฤทธิ์นะพระโมคคัลลานี่ก็สู้มารไม่ได้นะ บางทีมานี่ก็มาสร้างความป่นปวนในท้องพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเนี่ยขับไล่มารยังไงก็ไม่สําเร็จนะจนกระทั่งทักว่าเนี่ยท่านคือมานใช่ไหมเท่า น, นี้แหละนะมานี่ยอมแพ้เลยออกจากร่างของพระโมคคัลลานะเลยสุลรรมพัดก็เหมือนกันนะท่านเป็นปุถท่านเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีฤทธิ์นะเหมือนพระโมคคัลลานะแต่ก็รู้ว่าเพียงแค่ทักมารเท่านี้แหละนะ ม, มันก็ยอมแพ้ท้ายเนี่ย ม, ยมันก็ยอมนะเปิดเผยความจริงว่าเนี่ยเราไม่ใช่ผู้เจ้าหรอกนะเราเป็นมารแล้วก็ล่าถอยหนีไปภายหลังเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยเมื่อได้ทราบเรื่องนี้เนี่ยก็ตัดว่าเนี่ยสุลธรมพัฒเนี่ยเป็นอุบาสกผู้เป็นเลิศหรือเอตทักคะด้านศรัทธาไม่หวั่นไหวคือมีศรัทธาที่แน่นแฟน้น ศรัทธาที่นั่นแฟนไม่หวั่นไหวของสุรัมพัตน์เนี่ยคืออะไรนะคือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานะปกติเวลาเราพูดถึงศรัทธาเนี่ยมันง่ายนะที่จะเกิดความหลงงมงายแต่ศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยนะหรือศรัทธาที่จะมันคงไม่หวั่นไหวต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานะและปัญญาก็ทำให้เกิดศรัทธาที่นั่นแฟนมันไปด้วยกันนะ เมื่อมีศรัทธาถ้าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยย่อมพาไปสู่ปัญญาและเนี่ยคือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะมีนะคือมีศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธาที่พาไปสู่ความเข้าใจในความจริงอย่างที่เราสาธยายบทบางบทเนี่ยอยู่เป็นประจำว่าเมื่อใดบุคคลเนี่ยถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นศาสนาแล้วเนี่ยเห็นอริสัตต์4นะ นะก็คือทุกสมุทัยนิโรธมาศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องพาเราไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมหรือทำให้เกิดปัญญานะอย่าง น, น้อยๆเนี่ยก็เกิดความเข้าใจเกิดความรู้ในเรื่องอริย 4. สัจสี่ศรัทธาที่ถูกต้องคือสะพานที่พาเราไปสู่ปัญญาหรือสัจธรรมความจริงแต่บางคนเนี่ยนะมีศรัทธาแล้วเนี่ย กับติดตันแค่นั้นนะไม่ไปต่อนะเพราะนั่นเนี่ยก็ง่ายนะที่จะเป็นศรัทธาที่เปราะบางนะงอนเง่นแล้วก็มีคนเนี่ยมีศรัทธาแบบนี้เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นศรัทธาที่ไม่พาไปสู่ปัญญาหรือไม่ประกอบไได้วยปัญญาเนี่ยมันก็หลงงมงายได้ง่าย อย่างนี้นั บ, บางคนนีับถือครูบาจารย์ครูบาจารย์บอกเนี่ยพระรูปเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาไต่ตรองเลยนะทั้งทั้งที่ถ้าพิจารณาหน่อยก็จะพบว่าพระรูปนี้ทำแม่งทำแม่งนะมีพฤติกรรมที่ชวนสงสัยแต่ว่าไม่นะพอครูบาาจารย์บอกว่าเนี่ยพระรูปนี้เป็นพระอรหันต์ก็เชื่อ แล้วถึงเวลาความจริงปรากฏฉายออกมาว่าเนี่ยภาพรุ่ม เ, เนี่ยเป็นปาราชิกเนี่ยโอ้เรียกว่าผู้ที่ศรัทธาก็เกิดความเรียกว่าผิดหวังนะเข้าแล้วเข้าพงไปเลยก็มีเชื่อถือนะผิดคนเนี่ยก็เพราะศรัทธาที่จริงอย่าว่าแต่เรื่อ ง, องพระรหันเลยนะอย่างนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ย เหตุลหนึ่งที่ข่าวลือข่าวเท็จเนี่ยมันแพร่ระบาดนี่ก็เพราะว่ามีความศรัทธาในผู้ส่งนะมีความศรัทธาในผู้แชร์ผู้แชร์เป็นครูบาอาจารย์ผู้แชร์เป็นพระศรัทธาท่านศรัทธาผู้นั้นแชร์อะไรมาเราก็แชร์ต่อไปหรือเราเชื่อทั้งที่บางทีถ้าใช้ปัญญาไต่ตรองเนะ่ยมันก็จะรู้ว่ามันทําแม่งนะเช่นแชร์มาว่า ทุเรียนเนี่ยแก้มะเร็งได้หรือทุเรียนเนี่ยถ้ากินเยอะๆเนี่ยมันช่วยลดไขมันหรือว่าลดความดันได้ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเน่ยก็จะรู้ว่าไอ้ข้อความที่ส่งมาเนี่ยมันทำแม่งทำแม่งแต่หลายคนนะส่งต่อนะเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นตัวเผยแพร่เฟกนิวเผยแพร่เข้ามันที่เป็นเท็จอันนี้เพราะศรัทธาที่อ่าไม่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้เยอะเลยนะ มีความไว้วางใจคนที่ส่งมาแต่ว่าไม่ได้ใช้ปัญญาของตัวเองพิจารณาให้ท่องแท้และเพราะนั้นเนี่ยแม้แต่เรื่องพื้นพื้นเนี่ยนะยังยังหลงเชื่อหน้าษาัาเรื่องที่มันยากแต่ว่ามีความสำคัญนะใช่เรื่องธรรมะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีมีศรัทธาในใครเนี่ยต้องตรวจสอบด้วยว่าเนี่ยมันพาเราไปสู่ปัญญาหมแล้วก็ เมื่อศรัท ธ, ธาใครก็ไม่ได้หลงเชื่อ ง, ง่ายๆอย่างสุลรรมพัฒนเนี่ยนะถ้าว่าเป็นศรัท ธ, ธาที่ไม่ถ้ามีศรัท ธ, ธาที่เหมือนคนทั่วไปนะพอพระพุทธเจ้าจำแรงเนี่ยมาบอกก็เชื่อนะว่าสังขารบางอย่างขันบางอย่างนี่มันเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาแต่ว่าสุรรมพัฒไม่ใช่เป็นบุคคลเช่นนั้นดนะังนั้นศรัทธาเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยปัญญา โดยเพราะศรัทธาในตัวบุคคลนี่ก็ต้องระมัดระวังมากนะเพราะถ้าหากว่าไม่ประกอบด้วยปัญญามัก็พาเขาเราเข้าพงหรือว่าพาให้เกิดความทุกข์เจนศรัทธาครูบาอาจารย์แล้ววันหนึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นพระสงฆ์เนี่ยที่มีชื่อเสียงเกิดลาศิกขาโอ้ยผิดหวังเป็นทุกข์นอนไม่หลับบางทีคับแค้นนะโกรธแค้นครูบาอาจารย์ท่านนั้นอย่างอาจารย์โกวิเคมั น, นันธานเนี่ยตอนที่ท่านบวชเนี่ยโอยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะ ท่านเป็นพระรุ่นเดียวกับหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็มีชื่อเสียงมากกว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะบวชมา 16, สิบหกพันษาวันนี้วันนี้คืนนี้ก็ศึกหาราเพศลูกศิษย์จานวนมากนี่ผิดหวังเสียใจบางคนก็โกรธแค้นบางคนก็กล่าวหาท่านแต่หลวงปูเทียนเนี่ยท่านรู้นะว่าเนี่ยอาจารย์กู๊ดวิทนี่แม้สึกเป็นโยมก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไว้วางใจใท่านเนี่ยมาแสดงธรรม ที่วัดสนามในเป็นประจำลูกศิษย์เนี่ยไม่เข้าใจนะบางทีก็ไปโกรธหลวงพ่อเทียนอีกนะไปเชิญนะทิดโควิดมาแสดงทำทำไมนะนะนี่ไปกันใหญ่เลยอันนี้เพราะว่าเป็นศรัทธาที่ยึดมั่นในตัวบุคคลแต่ว่าไม่ประกอบไปด้วยปัญญานะถ้าใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเพราะว่าจริงๆอาจารย์โควิดก็ท่านเป็นโยมก็ไม่ต่างจากเป็นพระนะ ดันคนเราเนี่ยทุกข์มากเนี่ยก็เพราะศรัทธาที่มันงอนแง่นนะที่ไม่ได้ใช้ปัญญาหรือสติเท่าไหร่ให้เวลาเรามีศรัทธาอะไรเนี่ยต้องตรวจสอบนะว่ามันเป็นศรัทธาที่เป็นสะพานไปสู่ปัญญาไหมหรือว่าแค่มีเครื่องที่ยึดเหนี่ยวใหอ้อบอุ่นใจซึ่งมันก็ดีนะมีศรัทธาในครูบาอาจารย์แล้วเกิดความอบอุ่นใจแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นโทษเป็นทุกข์ได้ เมื่อเหตุการณ์ผันแปร